ถือว่าเรื่องของการปฏิบัตินั้นเป็นส่วนสําคัญของการที่เราจะเดินตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็มาถึงตอนนี้ได้เวลาที่จะมานมหการพระ อ, อาจารย์คือคริสโสธิพโลเพื่อที่จะได้ความรู้จักท่านในการที่นําเอาพุทธวจนะของพระพุทธองค์นั้นตอบข้อสงสัยของพวกเราค่ะมานำมสการท่านพร้อมๆกันเลยนะคะ ท่านอาจารย์ะ uh huh. สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องกล่าวเรียนถามท่านเป็นเรื่อง uh huh. เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อนะคะที่ว่า uh huh. เราจะมีความชอบไม่ชอบมีความรักความเกลียดอือ uh huh. อยู่เป็นประจํากับสภาพแวดล้อมโดยรวมของเรา uh huh. อยากจะกล่าบเรียนถามท่านว่าทั้งชอบไม่ชอบทั้งรักทั้งเกลียนยในทางธรรมะแล้วเรียกว่าเป็นอะไรแล้วมีคุณหรือมีโทษคะอืม uh huh. ทั้แล้วทั้เปลีเนี่ยกเ็เรียกว่าเป็นราคารุ้สายปฏิการรู้สัยก็ได้จิตที่เพลิดเพลินไปกับความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าจิตที่มีความไม่พอใจไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยทั้งสองอารมณ์นี้มีโทษทั้งสิ้นนะพระเจ้าต้องการให้พวกเราเนี่ยละ ความพอใจและไม่พอใจเพราะว่าตัวความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความอิจฉ้าเกิดความตระหนี่ขึ้นมาเมื่อความอิจชา้าความตระหนี่มีขึ้ น, นสิ่งที่จะตามมาคือการทะเลาะบอกแรงกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบชีวิตใดๆในโลกเนี่ยจะมีอาการเหล่านี้ทั้งสิ้น จะเป็นเทวดาก็ยังมีความพอใจไม่พอใจในลูปเสียงผินรถก็เกิดการทะเลาะบอกแว้งกันอีกอ๋อคะ่ะมีโทษทั้งสองอย่างเลยนะคะ<ม>รักอชอบอนี่ก็ฟังดูก็น่าจะดีนะคะออรักชอบจะทำให้เกิดความตะหนีขึ้นมาไงอ๋อหวงเมื่อตะหนีก็จะห่วงเมื่อห่วงก็จะมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันเหมือนกับที่พุทธเจ้าบอกว่าเรื่องของอความรักเกิดจากรัก นะค่ะรักนะความเกลียดเกิดจากรักแล้วก็ความรักเกิดจากเกลียดความเกลียดเกิดจากเกลียดอย่างเนี้ยนี่ก็คืออารมณ์อีกสี่อย่างที่คนในโลกเนี่มีหมดความรักเกิดจากรักความรักเกิดจากเกลียดรักเกิดจากรักแล้วก็เกลียดเกิดจากรักค่ะรักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักใช่เกลียดเกิดจากรักรักกันนีท่าไหนเป็นเกลียดกันได้ก็ เช่นว่ า, าถ้าเรารักอีกคนคนหนึ่งะน ะ, ะแล้วถ้ามีคนใดคนหนึ่งมาทำไม่ดีกับคนที่เรารักเราจะเกลียดบุคคลที่สามนั้นทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักใช่แล้วประการที่สามก็คือประการที่สามก็คือ รักเกิดจะเกลียดแล้วก็เกลียดเกิดจะเกลียดรักเกิดจากเกลียดเกลียดเกิดจะเกลียดก็อนุมาลอ่าฮะโดยวิธีเดียวกันอ่าฮะนะคะคือเขาเกลียดเหมือนเราออืเราก็เลยรักเ้าอือเขาอุปมาเหมือนเหมือนกันคือถ้าบุคคลที่หนึ่งเนี่ยเกลียดบุคคลที่สองเป็นทุนอยู่แล้วและเมื่อมีบุคคลที่สามเนี่ยนะค่ะมา พูดดีทดําดีกับคนที่เราเกลียด<ม>เราจะไม่ชอบเข า, ขานะแต่ถ้าเขามาพูดไม่ดีทําไม่ดีกับคนที่เราเกลียดเราก็จะชอบเขา <c oughs> เป็นพวกกัน <c oughs> เป็นพวกกันค่ะอย่างนะควาจริงฟังดูมันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เอยน อ, อ, อแต่ว่ามันก็เป็นความจริง ที่มันเป็นอยู่เป็นโดยอัตโนมัติเลยคนจะรู้สึกปุ๊บอย่างนั้นไปก่อนทันทีจริงแล้วมรดจจะเป็นอย่างนี้ตลอดอะฮะใช่ในั่นคือสาเหตุของการทะเลาะกันแต่ผู้จริงๆนะคะดิฉันว่าภูมิปัญญาพระพุทธเจ้าในสุดยอดเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกอย่างนี้แต่เราไม่เคยไปนั่งวิเคราะห์เลยว่าออืเรารักเข้าพ่ออะไรหรือว่าเราเกลียดเข้าพ่ออะไรังนั้นท่านผู้ชมที่จะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นทรงสามารถเห็นในสิ่งที่มันละเอียดทั้งๆที่อยู่กับตัวเรามาตลอดเลย ลองเล็กดูสิคะดิฉันเองก็มีเยอะนะคะที่รักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักอะไร mm hmm. ค่ะแต่ล้วนแล้วไม่ดีทั้งหมดนะฮะไม่ดีทั้งหมดต้องละทั้งหมดและคนที่จะละอารมณ์นี้ได้เนี่ยพระเจ้าบอกคือพระละหัน์หรืออีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่เข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ได้ ถ้าคนปูตุชนธรรมดาเนี่ยมีหมดยังลาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ใช่ถ้าไม่อยู่ในชั้นหนึ่งสอสี่เนี่ยลไม่ได้โอ้โหนั่นเป็นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรใช่ะะใช่ใชเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยดิฉันก็มองว่าปัญหาสังคมหรือปัญหาในบ้านในเมืองเราเนี่ยจะว่าไปแล้วมันมีลักษณะของธรรมารม์อย่งที่ท่านพูดนี่อยู่เลยนะคะอ่าฮะเพราะว่าเรามีปัญหาทางด้านการเมืองมันก็จะมีการที่ ฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นความรักที่เกิดจากรักรักที่เกิดจากเกลียดไอ้เกลียดที่เกิดจากรักอะไรเนี่ยแหะค่ะคือทั้งสี่ประการต้องเชิญชวนคนไทยเข้าฌานในทั้งประเทศนะคะแล้วก็สมควรอยู่ประการเข้าฌานที่หนึ่งก็คือละอกุขลเนไงค่ะคนั้นเองเราต้องละอกุสนออกจากใจละอกุศล และอกุศลทั้งปวงสำหรับท่านที่ยังไม่มีความรู้เรื่องอกุศลเลยอกุศลจากใจที่ท่านว่านี้นคืออรกุศลใดบ้างคะคือความคิดสามอย่างความคิดในทางการทางพยาบาททางเบยดเบียนอ๋อค่ะความคิดในทางการก็คือความพอใจในรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัส5้ช่องทางของกายค่ะนะความคิดในทางพยาบาทนะความคิดในทางเบยดเบียน ไปปิบาตไปเบียดเบียนเขาอย่างนี้นะค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเกิดความเกลียดขึ้นมาในลักษณะที่เป็นความเกลียดในเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าแหมใหญ่ใช่อีกฝ่ายเนี่ยถึงาาแก่การเสียหายาหาย่อยยับ อ, าาอย่างนี้ถือว่าเป็นอากุศลที่นอากุศลก็คือมันจะค่อยๆเริ่มแ่ะนะอ่ ผู้เาก็จะบอกว่าเกิดการด่าว่าสาบแช่งการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมใช้ปากเป็นอาวุธอ่าใช่มันจะค่อยๆขยับไปไปท่านคะจะถามนิดนึงเนี่ยเรื่องความรักความเกลียดในในตัวคนมนุษย์เนี่ยไม่เกี่ยวกับการที่เราจะตัดสินว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนผิดเขาไม่ผิดหรือว่าไม่เกี่ยวว่าใครผิดไม่ผิดหรือใครดีเยไม่ดีใช่ไหมคะ ยังไม่ได้ตัดสินด้วยเหตุผลเลยค่ะตรงนี้ก็คืออตัดสินไปตามภาษาที่กระทบก่อนแล้ว โ, <อ>โดยมีความพอใจเป็นทุนา ห, าหรือความเกลียดเป็นทุนพื้นฐานค่ะนะแล้วเมื่อมีภาษากระทบปั๊บก็จะจิตจะไหลไปตามนั้นก่อดเหตุผลมาทีหลังเพราะสติไม่ทันน่าคิดนะคะเป็นอัตโนมัติอ่าฮะ ของมนุษย์นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เหมือนกับว่าท่านพูดว่ากรรมเก่าไอ้กรรมใหม่ขออภัยค่ะเกิดจากผัสสะดูเหมือนกับกรรมนี่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องถามหาเหตุผลเลยอืมเกิดจากผัสสะก็คือตัวตัวเวทนาไงตัวเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากผัสสะและกรรมก็คือการกระทําการกระทำของจิตที่เข้าไปทํากระรูปทำมันเกิดขึ้นแล้วค่ะ เช่นใครมากล่าวหาเราเราไม่ต้องไปถามถามหาเหตุผลเลยว่าดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ความดีความชั่วเป็นอะไรยังไงจิตมันไปแล้วใช่จิตมันไปแล้วจิตมันจิตมันเข้าอารมณ์แล้วจิตมันไปกับอารมณ์แล้วว่าฉันตัดสินแล้วว่าฉันรักกับฉันเกลียดใช่ทีนี้ท่านอาจารย์กจะบอกว่ามันก็ทาให จิตมันเป็นอกุศลแล้วเราจะต้องจัดการมันอกุศลในที่นี้ท่านบอกว่ามีกามมีพยาบาทมีเบียดเบียนซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดเนี่ยมันไม่ค่อยแยกกันนะคะมันเกิดพร้อมๆกันเลยเพราะมันเกิดความพยาบาทมันก็อยากจะเบียดเบียนคนอื่นทีนี้วิธีแก้มันมันไม่ดียังไงกับตัวคนที่มีอกุศลเกิดนี้คะท่านคะก็ถ้าตายไปในขณะนั้นก็ไปสู่อบายก่อนเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของทุกขตินี่ แล้วมันก็จะเป็นเหตุให้ปัญญาซา ม, อ, มอาคุสนี่ยเป็นเหตุให้ทุกปัญญาปัญญาจะไม่ดีคะ น, ะนะเป็นเหตุให้ให้จิตเศร้าหมองนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทําสมาธิได้เป็นนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตเนี่ยมีกําลังจิตจะถอยกําลังเพราะตัวนิวรณ์ห้าเป็นเหตุให้หล่อเลี้ยงอวิชชา ม, มีโทษเยอะแยะเลยเพราะอาคุลนี้มันครอบงําจิตซะแล้วใช่ ทีนี้บางคนก็เหมือนกับว่ามันมีคู่กรณีอย่างเช่นอ่าในกรณีที่มีคู่กรณีก็เหมือนกับว่าการที่เราจะละในสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนเี่ยอืมในขณะที่ก็มีความรู้สึกว่าคู่กรณีเรามันยังไม่ละการพยาบามจองเวนี่เงี้ยนะคะอ๋อมันจะได้ผลเหรอคะมันต้องมีฝ่าย ห, หนึ่งละไงพระเจ้าบอกว่าในยุคไหนก็ตามเวนไม่สามารถารังงับได้ด้วยการผูกเวนเลย อ๋นี่เป็นพุทธวจนะอะไรคะไม่ว่าในยุคสมัยไหนก็ตามอันนี้น่าสนใจมากนะคะพระพุทโ์ตรัสว่าเวรไม่สามารถระงับได้ด้วยการผูกเวรเวรไม่สามารถระงับได้ด้วยการผูกเวรคือจะคิดว่าเองทําชั้นอย่างนี้ฉัน้นจงทําเองอย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางจะรับระงับเวรได้ใช่ต้องทําอย่างไรครับทคะแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรก็คือต้องหยุดเนี่ยไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องหยุด ไม่งั้นเวทจะระ ง, งับลงไม่ได้หยุดเฉยเฉยหรือว่า ห, หยุดแล้วยังจะต้องให้อภัยจะต้องหายลืมสิ่งที่ ผ, ผ่านมาค่ะหรือว่าหยุดตัดขาดไปตรงนั้นเลยเรื่องเก่าช่างมันถ้าหยุดเนี่ยแสดงว่าก็ระ ง, งับได้แล้วระดับหนึ่งแต่อารมณ์ที่ผูกโกรธพยาบาทเบียเบียนก็จะกลับมาใหม่หลับมาใหม่ก็อยู่ที่ว่าเราละความเพลินไปหรือไม่ละนันทีไหม ลาได้เราก็จะจิตก็จะอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่ว่าปฏิบัติมรรคเมืองแปดต่อไปไหมเพื่อให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถิดมั่นอย่างนี้อ๋ค่ะคือถ้าเป็นทางออกแบบพระพุทธองค์แล้วยังไงต้องหยุดก่อนเรื่องเวรนี้ไม่ต้องไปรอให้คนอื่นมาหยุดก่อนเราหยุดเองก่อนนะคะหยุดเองแล้วเราก็มาปฏิบัติต่อใช่ใช่ถ้าไม่อยากให้ เป็นการหยุดแบบชั่วคราวจะต้องปฏิบัติฌานก็ปฏิบัติมรมีองแปดไดมรอิองแปนะพราะตัวองคฌานก็เท่ากับระงับได้ชั่วคราวขณะที่อย um um ู่ในองคฌานคือระงับอารมณ์เหล่านี้ได้ก็ต้องปฏิบัติไปเพื่อเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์สำหรับการปฏิบัติมรมีองค8ด อยากให้ท่านชี้แนะวิธีที่ง่ายๆที่สุดให้กับท่านทั้งหลายคะ่ะก็คือฝึกละความเปลินเรื่อยๆแล้วก็ตั้งจิตอยู่กับลหมหายใจนะคะนั่นก็คือวิธีที่เราได้นำการปฏิบัติธํามในตอนต้นของรายการทุกๆวันนั่นเองสำคัญนะคะเพราะว่าบางทีเราไปรอให้คนอื่นเขาหยุดเนะี่ยมันเหมือนกับไม่มีโอกาสเกิดแล้วมันก็เผาผลาน คนคนนั้นแต่เรื่อยๆแต่ต้องเห็นโทษของมันเลยใช่ไหมคะปล่อยต่อไปนี่แย่เลยใช่ไหมคะปล่อยต่อไปก็จะจะหนักขึ้นไปเรื่อยค่ะเพราะว่าท่านพูดบอกว่าจะทำให้เรามีอวิชช า, า, าจะให้อะไรนะคะเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดไปสองอย่างปัญญาสามจิตถอยกำลัง จิตถอยกำลังแปลว่าอะไรจิตไม่มีกำลังมันก็จะหลงไปตามไปตามอารมณ์ต่างๆเนี่ยได้ง่ายใช่ใช่ไม่มีกำลังที่จะหักข้ามความไม่ดีไม่มีกำลังหักข้ามอารมณ์เพราะนั้นคนทั่วไปที่จิตไม่มีกำลังก็คือผัสสะกระทบแล้วก็ไปก็ทไปตามนั้นคิดว่าอยากขโมยก็อยากอยากฆ่าเขาก็ทำแต่ที่นี้มันมันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะบางทีบางคนเนี่ยเาบอกว่า เราระ ง, งับก่อนไม่ได้หรอกถ้าเกิดคู่กรณีเราเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าต้องย่ำยีถ้าเราคืนไม่ถืนยอมแพ้ระ ง, งับเเหมือนกับยอมแพ้ใช่ไหมคะก็อาจจะถูกรังแกได้เกิดความกลัวเนี่นยค่ะทั้งทั้งที่ของข้างหน้าเนี่ยมันจะมีจริงหรือไม่มีก็ไม่ทราบอย่างนี้ต้องทํำยังไงคะถึงจะระ ง, งับความกลัวได้ด้วยแล้วทําให้เรากล้าที่จะที่จะต้องเชื่อมั่นว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรม มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะนั้นถ้าเหตุปัจจัยของเขาจะต้องได้ดีมันก็ต้องได้ดีแต่ถ้าเหตุปัจจัยของเขามันจะต้องล่มเหลวนะเดี๋ยวถึงณปัจจุบันนี้มันได้ดีไปแต่เดี๋ยวก็ต้องล่มเหลวนะนั้นเราเราเราเชื่อมั่นในกรรมเลยนะแล้วเราก็หยุดซะจากนั้นเราก็ ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญา<ม>ฝึกตัวเองให้มีความสามารถให้จิตมีกำลังให้มีบา ร, รมีมขึ้นมานะง<ม>ั้นถ้าเราใช้หลักของกรรมที่พเจ้าตัดไว้เนี่ยชีวิตเราก็จะมีแต่สงบสุขแล้วก็จเจริญด้วยนักถึงเวลาที่มันจ ะ, จะเจริญมันก็ส่งผลต้องเรียกว่าต้องปล่อยให้ตามธรรมชาติของกฎแห่งกรรมเนี่ยได้จัดการ จ, าจัด ได้จัดการชีวิตของแต่ละคนตามตามเหตุปัจจัยที่เขาทำมาใช่ใช่<ม>ถ้าเขาทำไม่ดีมันก็อยู่ได้ไม่นา<ม>นเราไม่ต้องไปช่วยเขาจัดการใช่บางทีสะดุดขาตัวเองล้มก็มีอืค่ะก็ะเท่ากับว่าใครมีปัญหาแบบนี้นะคะที่มี <c oughs> ความรู้สึกมีความทุกข์ จากธรรมารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความเกลียดความชอบความไม่ชอบเนี่ยให้พิจารณาดูว่าถ้าตามหลักพระพุทธศาสนามันเป็นโทษทั้งหมดถูกไหมคะแล้วก็เราควรที่จะเดินออกจากทุกโทษนี้และเราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะให้เชื่อในระบบกรรมสร้างกรรมของเราให้ดีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าใช้ได้กับทุกเรื่องบนโลกใบนี้เลยนะ ท่าอาจารย์คะทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ดิฉันสงสัยก็คือว่าดิฉันไปอ่านพุทธวจนะอยู่บทหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องออความสิ้นปัญหาคือนิพพานมีไม่ทราบท่านใดเหมือนกันนะคะที่ปรับเรียนทูลถามพระพุทธองค์ว่าเรื่องของสัตว์เนี่ยมีได้ด้วยเหตุใดทีนี้ดิฉันก็เลยอยากจะทราบว่าเนี่ย ที่ท่านเรียกว่าสัตว์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยหมายถึงอะไรคะก็คือสัตว์เนี่ยคือผู้ที่ยังติดข้องในในฐานทั้งห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งพอผู้เจ้าตัดอย่างนี้นี่แสดงว่าทุกระบบชีวิตเนี่ยเป็นสัตว์หมดเลยลมก็เป็นสัตว์เทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เปรตวิสัยสัตว์นรกก็เป็นสัตว์ สัตว์โลกซึ่งมีความเกิดแก่เจ็บตายเสมอเหมือนกันทั้งหมดอยู่อยู่ในระบบที่ยังยึดติดอยู่กับขันห้าเนี่ยเหรอคะถือว่าเป็นสัตว์หมดก็เป็นสัตว์เสมอกไปหมดนั้นถ้าอย่างนี้เวลาใครมาเรียกเราสัตว์ระโกรนไม่ได้ถ้าถ้าตามหลักวิวัฒนานาต้องอนุโมทนาเขาว่า <laughs> เขาพูดได้ถูกแล้วก็คือยังติดข้อง อยู่ใ น, ในขันทั้งห้ า, า, หาแต่ว่าก็ไม่ต้องเสียขวัญเพราะว่าคนที่เรียกเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันถูกต้องนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ให้หมายความว่าต้องไปเรียกใครต่อใครนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าแต่เขาไม่รู้ทำเท่ากันนยุ่งแน่เลยแต่ให้รู้ว่าผู้พิทูงตัดสินว่าทั้งหลายทั้งปวงถ้าอยู่ในขันทั้าในสัตว์หมดเทวดาก็ยังเป็นสัตว์เลยไม่น่าเชื่อฟังดูเหมือนกับว่าคําว่าสัตว์ในความหมายความเข้าใจของเราเนี่ยมันต่ํานะครับมันไม่ดีอย่า ไม่ดีเพราะเหตุนใดพระพุทธองค์ถึงเรียกว่าสารครับก็ไม่ดีเพราะว่าเขายังยึดติดเนี่ยยึดติดในของของเกิดของตายยังหยุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไม่ได้ค่ะทีนี้ในเนี้ยค่ะมีการพูดถึงเปรียบเทียบกับเด็กด้วยค่ะว่าอเหมือนกับเด็กที่มีความพอใจเล่นดินใช่ไหมคะปั้นดินเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่า เป็นของเราแต่ถ้าพอต่อมาในเรื่องนี้ก็บอกว่าถ้าเด็กๆทั้งหลายเนี่ยไม่มีตัณหาในเรือนที่ปั้นมาทำด้วยดินทำให้กระจายเกลื่อนกรดออกไปด้วยมือและเท้าฉันใดแล้วก็มาเปรียบบอกว่าให้เรากระจายซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันทั้งห้าเนี่ยค่ะ <net> ไม่เข้าใจคำว่ากระจายขันห้าคะ่ะเคยได้ยินแต่กระจายผัสสะที่ท่านอาจารย์ว่ามีองค์ประกอบ2อสามอย่างใช่ไหมคะ อ, อ, อ, อ, อ, อ๋อทีนี้กระจายขันห้าคะ่ะกระจายก็เหมือนกันเพราะองค์ประกอบของผัสสะก็คือขันห้านั่นเองการละนันทีก็เป็นการกระจายขันห้ากระจายผัสสะอ๋อเหรอคะอืม <net> เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวอ๋อดิฉนเข้าใจว่าถ้าเป็นผัสสะท่านบอกว่าต้องมีอายตนาภายในอายตนาภายนอก จำเป็นว่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็มีวิญญาณของทุกอายตนะแล้วก็กระจาย<ช>ออกซะไม่ให้รวมกัน<ช>ทีนี้การกระจายวิญญาณใช้วิธีเดียวกันเอ๊ะ ก, การกระจายขันห้าใช่ก็เพราะผัสสะก็คือตัวขันห้านั่นแหละผัสสะคือสัมผัสสัมผัสของใครอะวิญญาณเข้าไปสัมผัสกับรูปนามเลอ๋อค่ะเนี่ยตัวรูปอะลูกตาก็รูปไม่ล่ะ ลูกทั้งหลายก็ลูแล้ววิญญาณเข้าไปรับรู้ก็เหมือนกันมันคือการกระจายขันเหมือนกันคือคือเรื่องเดียวกันเรื่องเองนะพูดคนมุมเหรอพูดต่างมุมนะคะงั้นถ้าพ่อบอกว่าในกรณีนี้ถ้าหากว่าเราอยากค้นจากความเป็นสัตว์ใช่เราก็ต้องกระจายขันห้าใช่ใช่คือไม่ให้ผัสสะมันเกิดอือนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดของบทพยัญชนะของพระพุทธองค์ซึ่งต้องบอกว่าสอดรับกัน น, นี่อยู่คนละคนละครั้งที่จะ ใ, ใช่ไหมคะมีเรื่องที่ตรัสทานองเดียวกันนี้อีกเยอะไม่ใช่ไหี่ยเยอะทุกอย่างเลยจะยงใหญ่กันหมดเลอแ ต, แต่ว่ า, าถ้าเรายิ่งยิ่งยิ่งเข้าไปเข้าไปทลุกคลีกับคำผู้จ้ามาก <c oughs> จะเห็นถึงความยงใหญ่นต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันปรับหัวใจเดียวกันแต่ว่าพูดในมุมไหนช่ เพราะคนคนคนเข้าใจต่างกันไงก็เผื้อเรา<ม>เราทําความเข้าใจแก่นแท้เนี่ยแก่นเดียวเนี่ยจะพูดมุมไหนเราจะเข้าใจเราก็เข้าใจหมดใชที่อย่างกับบอกว่าให้รู้ทำเพียงบทเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมค ะ, ะ, ะถ้าถ้าอยากจะรู้ทำเป็นแก่นแก่นเลยเนี่ยท่านช่วยแนะนำสักสักบทหนึ่งได้ไหมคะที่ให้ท่านทั้งหลายเนี่ย ยึดจดจำง่ายๆร้านนันทีไว้เอไว้ไปปราบประยุกต์ก็ล้านันทีนี่ก็ได้จำคําเดียวก็ได้ล้านนันทีเอาจิตหลุดพ้นได้เลยพระเจ้าก็บอกล้านนันทีจิตหลุดพ้นได้เลยท่านคะถ้าใช้วิธีร้านันทีเนี่ยเราจะหมายถึงการการตามดูจิตใช่ไหมคะใช่คือการตามดูจิตแบบตรงๆเลยตรงๆเมื่อจิตออกไปแล้วร้านนันทีเนี่ยกลับมาถูกต้อง คนนั้นดูจิตตลอดเวลาเลยดูจิตตลอดเวลาเสร็จแล้วก็เอาจิตตั้งไว้ที่กายถูกต้องตั้งไว้ใดเนี่ยสติปัญสีใช่ใชตั้งไว้ใดการยืนเดินนั่งนอนถูกต้องใช่ทีนี้เนี่ยค่ะก็เลยเข้าเรื่องที่ว่าดิ่ฉันได้ยินมามีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าการปฏิบัติสําหรับคนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสังคมที่ชุลมุนวุ่นวายอย่างนี้เนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยไม่สะดวกต้องใช้วิธีการดูจิตออืคือเรื่องนี้เลยหรือเปล่า หมายถึงว่าการดูจิตมันสะดวกสบายดีกว่าการรู้ลงหายใจเรือยังไงคะก็คนคนนั้นไม่หายใจเหรอมันก็หายใจยินเดินนั่งนอนก็หายใจหมดนะเนี่ยเขาก็ไปเข้าใจผิดว่าการภาวนาคือต้องนั่งคือมันเข้าใจผิดหลายชั้นอนะ่ะมันต้องมาทำความเข้าใจกันอนอนก็เป็นสมาธิได้ไม่ใช่ว่าสมาธิ เป็นเฉพาะท่านั่งเราเลือกท่าตายไม่ได้เนะเดินยืนนอนตายได้หมดเพราะ น, นั้นผู้เจ้าให้มีสติในทุกเรียวโหมดใช่ไมอ่าเพราะ น, นั้นอันแรกเลยเปลี่ยนความเข้าใจก่อนว่าต้องมานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งก็ได้ยืนเดินนอนได้หมดอยู่ที่ความเพียรทางจิตว่าจิตเนี่ยเราปารกความเพียรโดยเอาจิตเนี่ยตั้งอยู่กับกายหรือไม่ไงนะ อาจะดูกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเพราะเป็นความเพียนทางจิตซึ่งสามารถทําได้ในทุกท่าทุกสถานที่น ะ, นะไม่ต้องการรูปแบบอะไรเพราะฉะนั้นการดูกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดพระเจ้าอธิบายด้วยอนาปานสติเพราะฉะนั้นคนที่มารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็เป็นการดูจิต เป็นการดูกายเป็นการดูเวทนาเป็นการดูธรรมครบหมดคือคนเขาเห็นภาพไม่ลอกแล้วพูดไปกร อ, อบการพูดเขาจะแคบค่ะคือถ้าถูกทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าถูกไม่หมดถูกไหมคะใช่ถูกไม่หมดและอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ในความที่ยังถูกไม่หมดมดังนั้นถ้าจะเข้าใจให้ถูกต้องก็ <laughs> คือ่าใจกจาลังจะบอกว่าสติ ถูกไหมคะถ้าอย่างนี้แปลว่าให้มีสติในทุกๆวิริยาผลมีสติจะเป็นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเ้าเรียกอะไรเป็นหัวใจหรือเปล่าคะก็จะเป็นเป็นมักคิธีที่เรียกว่าโดดเด่นนะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนไปมักคิธีอื่น ก็ใช้อันนี้อันเดียวเนี่ยทาได้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั้งเบื้องปลายเลยค่ะเพราะว่าเดช น, นก็อ่านบทพยัญชนะอย่างนี้นะคะมีวิธีปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆแล้วยังพูดเหมือนกับว่าเป็นการจ่ายยารักษาอาการของจิตต่างๆเลยยกตัวอย่างเช่นที่ตรัสกับพระลาหุนที่พูดว่าทาแบบนี้จะแก้พยาบาททาแบบนี้จะแก้เบียดเบียน เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับของการมีสติที่ว่านช่ไหมคะที่อย่าง ก, กับว่าเมตตาภาวนาถ้าเจริญแล้วจะแก้พยาบาท uh huh. uh huh. เมตตาภาวนาที่ว่าเนี่ยถ้านอาจครัเป็นลักษณะอย่างไงเขาไม่เข้าใจอะ่ะสมมติว่าเรามีความพยาบาทอย่างเนี้ยจะเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยจเจริญอย่างไรครับอันดับแรกต้องลนะกุศลก่อน แล้วถึงทาจิตประกอบ่อด้วยเมตตาเนี่ทำความรู้สึกเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายคือต้องละกามพยาบาทเบียดเบียนก่อ น, อนอถึงจะเจริญเมตตาได้นี่ครูเจ้าก็ตัดไห้กระบาเสร็จอยู่แล้วอ๋อค่ะ <c oughs> ส่วนอย่างอื่นก็มีเนี่ยนะคะเจริญกรุณาภาวนาจะละความเบียดเบียนได้ ด้วยวิธีเดียวกันไหมคะต้องละอกุศลก่อนใช่ค่ะแล้วเจริญการุณาและกะรารุณากับเมตตาต่างกันยังไงกันการุณาเนี่ยนะเมตตาเนี่ยโยมไม่ต้องมีใครเขาขอความช่วยเหลือก็ได้นะแต่ถ้า อ, อ, อย่างกรุณาเนี่ยอาจจะมีคนขอความช่วยเหลือโยมแล้วโยมก็ให้ความช่วยเหลือเขาอ๋อค่ะเป็นการมีน้ำใจ เหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงมีน้ำใจเมื่อเขาขอเรียกว่ากรุณาแต่ถ้ามีน้ำใจเมื่อเขาไม่ได้ขอเนี่ยเป็นความเมตตาคื อ, อยังไม่มีประมาณไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีเพจนะคะสำหรับเมตตาแก้พยาบาทกรุณาแก้เบียดเบียนมุทิตาค่ท่านคะจะทำให้ความไม่ยินดีด้วยใครๆจักละไปความไม่ยินดีด้วยใครๆนี่หมายความว่า อิจฉาข้างอิจฉาแก้อิฉาแก้อิจฉาเวลาเห็นเขาทําความดีแล้วไม่ชื่นชมยินดีถ้าเราชื่นชมยินดีความไม่ชื่นชมยินดีก็จะหมดไปความอิจฉาก็จะหมดไปยินดีซะเมื่อเห็นเขาทําความดีแล้วตรงนี้ยังเป็นเหตุให้เกิดความต่ําสักดิ์ผล ผลของของการที่ว่าเที่ยวไป อ, อิจฉาลิษยานะในสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยทำความดีนะเช่นเข า, าลุกลับกลับไหวให้อศนะแก่สำนักพราหมณนะ์ก็ไปอิจฉาเขาไปไม่พอใจมันไส้เขาอย่างเนี้ยนะค่ะน่าสนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเห็นใครทำดีแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจ เราต้องแก้ด้วยการที่อนุโมทนาอย่างเงี้ยป่ะคะเจริญมุทิตาจิตมุทิตาจิตเนี่ยเหมือนกับที่เวลาเราชื่ น, นชมยินดีในสิ่งในความดีที่เขาได้กระทำนะคะถ้าทางมาวัดอย่างเงี้ยเราก็มักจะได้ยินคนพูดว่าเราทําบุญ อ, อนุโมทนาในใช่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อ่าเจริญอุเบกขาจักละความหงุดหงิดแห่งจิตเป็นอย่างไรกันบางคะเออ เมตตากรุณามุติตาอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยยังสร้างความสงบให้จิตไม่ได้นะยางถึงที่สุดก็ต้องมีอุเบกขานะนั้นเอาเมตตาแล้วบางทีความทุกข์ก็ยังเกิดได้กรุณามุติตาแล้วความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นได้ก็ต้องรู้จักวางอุเบกขาวางอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นทุกอย่างค่ะคือ คือละจากอารมณ์พูกนั้นวางใช่ไคะเราจะทําให้ความมุ่งแทงจิตหายไปกับสุดท้ายเจริญร อ, อสุภะภาวนาราคะจัดหายไป อ, าาอสุภะแปลว่เาเห็นความไม่งามอย่างนั้รือเใช่เห็นความไม่งามแห่งกายจะทําให้ราคะหมดไปกับอนิจจสัญญาภาวนาเห็นการแปลเปลี่ยนนะความยึดมั่นถึงมั่นนะก็จะค่อยๆถูกละไปถูกวางไป ถ้าเรารู้ว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนมันเปลี่ยนแปลงของมันไปนเรื่อยๆใช่ใช่การที่เราไปยึดติดสิ่งนั้นก็จะจางกลายไปนะคะรู้สึกว่าบทเพยียรชนะนี้ดีจังเลยนะคะสามารถแก้ได้ทุกเรื่องเลยก็คงจะต้องขออนุญาต ท, <c oughs> ท่านที่จะสรุปด้วยการที่อ่อานบทเพยียรชนะนี้ทิง้งท้ายให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะ ท่านผู้ชมคะสำหรับรายการเราเป็นรายการที่ให้ความสําคัญกับบทพียรชนะของพระพุทธองค์เพราะว่าต้องการให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมอย่างถูกต้องเที่ยงตรงในวันนี้จะเป็นการที่อ่านบทเพียญชนะในหนังสือผู้ทวชนะฉบับปฐมธรรมเล่นนี้ซึ่งมีคุณค่ามากเหลือเกินนะคะดิฉันอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าถึงในขณะเดียวกันก็ถ้าท่านมีโอกาสได้นําไปเผยแพร่ด้วยนี่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะ สำหรับเรื่องที่จะอ่านให้ฟังคืออ น, นิสงค์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆดังที่ได้กร่าวเปลี่ยนท่าอาจารย์ผ่านไปเมื่อสักครูน่นี้พระพุทธองค์นั้นตรัสแก่ราหุนค่ะว่าราหุนเธอจงจเจริญเมตตาภาวนาเธอเมื่อเธอจเจริญเมตตาภาวนาอยู่พยาบาทจักละตายเธอจงจเจริญกรุณาภาวนาเธอเมื่อเธอจเจริญกรุณาภาวนาอยู่วิหิงสาความคิดเบียดเบียนจักละตาย เธอจงจเจริญมุทิตาภาวนาเธอเมื่อเธอจเจริญมุทิตาภาวนาอยู่อรติคือความไม่ยินดีด้วยใครๆจากละไปราหุนเธอจงเจริญอุเบกขาเธอเมื่อเธอจเจริญอุเบกขาอยู่ปฏิฆะหรือความหงุดหงิดแห่งจิตจากละไปเธอจงจเจริญอสุภาพภาวนาเธอเมื่อเธอเจริญอสุภาพภาวนาอยู่ราคะจากละไปและราหุน เธอจงเจริญอนิจจะสัญญาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญอนิจจะสัญญาภาวนาอยู่อัศมิมานะความสำคัญว่าตัวตนและของตนจากละไปท่าอาจารย์คะรวมทั้งหมดที่เราจะต้องเจริญเนี่ยสามารถเป็นสูตรพิเศษรวมแล้วมาเหลือเจริญอย่างเดียวแล้วละทุกอย่างได้หมดไหมค ะ, จะเจริญการละนันทีหรือจเจริญสติ มันก็จะลทุกอย่างได้ค่ะสาธุค่ะสปีดเล่นไปสู่วิ ม, ดดมุตใช่พรูเจ้าเป็นผููกลับเองว่าสปีดเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตนะคะการละนันที่นั้นใน ต, ตอนต้นของรายการก็มีการแนะนํากันอยูเป็นประจําทุกวันนะคะแต่ว่าในวันนี้ก็คงต้องบอกทําความเข้าใจให้ถูกดังที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปว่าเรามักจะเข้าใจกันผิดว่าจะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียว แต่จริงๆแล้วให้มีสติอยู่ในตลอดเวลา<ช>ถึงจะทำให้เกิดผลอย่างแท้จริงและก็ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธองค์ค่ะวันนี้เราก็มานวัสการของพระคุณพระอาจารย์คริรโสโซเทอกคโลด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทันกระมนลปฐุมเพชรนะคะชื่อเล่นว่โยกนะคะรู้จักวัดนาประพง์นะคะเมื่อปลายปี 2,552 ค่ะรู้จักวัดนาประพง์โดยที่ไปตอนนั้นไป ป, ปฏิบัติธรรมนะคะที่สเสถียรธรรมทาศา์แล้วได้เจอพระอาจารย์ครึกฤิ์คึกิกนะคะโซติพโลหลังจากนั้นก็ติดตามมาที่วัดนาประพง์นะคะมาศึกษาพุทธวจ น, นะ คือคำสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าเองนะคะแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามก็มีความเห็น mm. เห็นจริงและเห็นตรงตามที่พุทธวจนะนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้มาลองศึกษาดูและเรียนรู้การปฏิบัติธรรมของวัดนาประพง์ซึ่งได้นำคำสอนออกจากพุทธวจนะคือคำสอนที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงนะคะลองเอาไปศึกษาดูที่ ปฏิบัติดูได้ทุกเรียบทที่บ้านได้นะคะอยากเชิญชวนมาที่วัดนาประพงนะคะมารับหนังสือได้ที่นี่ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับรายการพุทธวัจนะรายการนี้ที่ทำให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงคำสอน ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้โดยตรงเนี่ยนะคะก็ถึงเวลาที่จะลาท่านผู้ชมไปเพื่อที่จะกลับมาพบกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นโดยรายการพุทธว จ, จะนะนี้มีเป็นประจำทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดการบันทึกเทปทั้งหมดเราได้ดำเนินการกันที่วัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิธิ์จังหวัดปทุมธานี ที่มีพระอาจารย์คืกคทิปโสธิพโลที่มาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผุททวัจนะให้เราได้ฟังกันเป็นประจำ ท, ทุกวันทุกวันเป็นเจ้าวาค่ะสำหรับวันนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทมทั้งหลายที่ท่านได้รับฟังไปจะได้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อชีวิตที่สวัสดีของทุกท่านพุทธสวัสดีค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการทวัจะนะเนี่ย เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดบางสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างสิ่งที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายาและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัให้งอกง า, ามหมายป็นผู้มีกำลัง คือมีกำลังสตินะกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนานะขอให้มีความภาคเพียรบกักบัดมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายกนะ็ขอให้มี สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะเพื่อปาราลกความเพียรต่อไปจนะนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธมสมบรณ์มรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน